ก็ในแต่ละวันที่เราได้ศึกษาปฏิบัติมาเราจะสังเกตเห็นว่าเราทําเรื่องเดิมนะทําเรื่องเดิมที่ไม่มีอ ะ, อะไรที่เข้ามาแบาคนแทรกซอนอะไรให้มันสับสนนะคือทําเรื่องความรู้สึกตัวให้ชัดเท่านั้นนะทําเรื่องนี้เรื่องเดียวให้หายสงสัยนะเมื่อหายสงสัยเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมัน มันนี่ไปหมดมันทะลุบุบบากไปหมดเลยนะซึ่งเราเสียเวลาก็หลายเรื่องมานานที่พี่เจ้าท่านตัดพูดพูดถึงเรื่องเรือ ว, ว่าใบาไม้ในกํามือแล้วก็ใบไม้ในป่าซึ่งส่วนใหญ่เรารู้ทั้งรู้นะอ่านผ่านกันมาเยอะแต่เราก็ยังไม่ชัดเจนว่าทําไมเรายังข่อยคว้าใบไม้ในป่ากันมากมายใบยไม้ในกํามือ เราก็ยังเอาไม่ได้เราก็คอยคว้าใบาไม้ในป่าดังนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าแปดหมืนี่พันพระธรมคันเนี่ยเพราะว่าเหมือนใบาไม้ในป่าใหญ่ส่วนที่เราสถาคธรรมสอนนั้นใบไม้ในกเมือทีนี้ใบไม้ในกเมือนี่มันหมายถึงอะไรถ้าจะว่าไปท่านตัดหมายถึงโพธิปัจเยธรรมสามทิเกตุ ก, การจําได้ไม่มีอะไรบ้าง คือหมอเจิจ <Four, five. S 1> ันอันหนึ่งละสีันสีแล้วจะไปอะไรสีกจะิปยฐานสีสมมาธานสีิธิบัสี่ทีิสีห้าลาห้าโพชฌงเจ็ดแล้วก็อะไรอะไรอ่ะ อันนี้มากมปองแปดรวมแล้วสามทเจ็ดประกานี่คือใบไม้ได้กำมือนะแต่รวมทั้งหมดเนี่ยให้เอาไปต้มใบไม้กํามือไปต้มต้มให้เหลือน้ํำยาแก้วเดียวให้มันเหลืออะไรเหลือสถิติประธานสีเหลือแก้วเดืยวจริงๆเลยมาผิดเป็นยาขับสูดให้มันเหลือแค่สองเม็ดเหลืออะไรให้ลูกกับน้าเห็นไหมใบไม้ได้กามือหลายๆลงมามันเหลือแค่นั้นจริงๆ แต่ว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์นะที่มีอัตตาตัวตนอยู่ต้องการที่อะไรที่มันหลากหลายเพื่อให้ได้สนองตัวอัตตาของเราให้มีที่อยู่เพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องอัตตาของเราเนี่ยเที่ยงกันมาทุกยุคทุกสมัยนะสมัยนั้นก็บอกว่ามีเข้าถึงอัตตาอันสูงสุดเรียก ว, ว่าปรมาตมัน แล้วผู้เข้าถึงเลือกผู้นั้นว่ามหาตรมันอย่างขันธีเนี่ยเราเป็นมหาตรมันเช่ไหเรามาเรียกชื่อว่าอะไรนะอ ม, <uk. S 1> มหาตามาขันธีมหาธรมันขันธีผู้เข้าอัตตาสูงสุดอ่ะแต่พระพุทธเจ้าพอจะรู้ว่าท่านตัดตรงกันข้ามพวกอะไรไม่มีอัตมันรมไม่มีปรม า, ามะตรันมีแต่อะไรอนาต ร, รม <c> ัน <oughs> ที่เรามาเรียกว่าอะไร อนัตตาตรงกันข้ามกันเรื่องก็เป็นอนัตตมันไม่มีปรามาตมันมีอาตมันแต่พระเรายังเอามาใช้อยู่นะยังเรียกตัวเองว่าอะไรพระอัตมาถ้าจะเรียกให้ถูกเรียกว่าอนัตตมาอนัตตมาอันนี้ยังเป็นอัตมาอยู่เพรมาจากอัตมันธรรมเนียมของฮินดูนั่นแหละเรียกตัวเองว่าอัตมันแต่เรียกประเทไทยว่าอัตมาก็จะเห็นว่ามันโครงสร้างนี่ใหญ่มากเรื่องอาตาตัวตนเนี่ย ดังนั้นถ้าหากเรารู้ถึงรากถึงรูทมันแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจุดนี้จุดเดียวว่าเมื่อเรื่องอัตาเรื่องอนัตตาเป็นเป็นเป็นหลักของเรื่องในการที่จะถ่ายถอนความทุกข์และเหตุของทุกข์ให้หมดเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาถึงรากถึงรูทของมันเพราะฉะนั้นเองใครพอจะทราบว่ารากรูทของอาตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่า มันต้นไม้เนี่ยทามันขึ้นขึ้นแล้วก็ตัดแต่ต้นมันะงอกมาก็ตัดต้นมันงอกมาก็ตัดต้นมันมันก็เลยงอกขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะต้นอะไรที่มันลากลึกๆคายยากๆต้นอะไรนะต้นยู่คยนะตัดแล้วงอกอีกมันกินลึกมากนะอมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันะมีตัวนี้แหละมีตัวอัตตานี่หลยเป็นลากเป็นลูกที่ลึกที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้จัก ไอ้ถอนนะอัตมาดัง น, นั้นการรู้จักรูปนามก็คือรู้มืรู้จักอัตตาของตัวเองก่อนนะเพราะมันเป็นด่านแรกเลยด้วว่าถ้าหากรู้จักตัวรูปนามแล้วเนี่ยมันก็จะถอนตัวอัตตาออกได้ถ้าไม่รู้จักรูปนามไม่มีทางนะไม่มีทางจะถอนได้เพราะฉะนั้นในบทสัจที่เข้าถึงมรรคทุพผลที่ท่านเรียกว่าสัญญสิบอ่ะตัวแรกที่เรียกว่าอะไรนะสักยะอะไรนะ อ่าสกยาธิถิใช่ไหมนั่นแหะคือตัวอ่าตาแหละสกยาธิฐิเนี่ยคือสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราซึ่งในตัวนี้ถึงแม้เรารู้ทั้งรู้ว่าไอ้ตัวตนของเราในประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้านะแต่เราก็ยังถอนไม่ได้อยู่ดีไม่สามารถจะถอนความยึดถือในไอ้ในรูปในนามนี่ว่าเป็นตัวตนของเราอีกเพราะอะไรเพราะว่าใน หลักที่ท่านตรัสไว้ในอนัตตลักขณาสูตรเนี่ยตอนแรกที่สุดที่พระเบญจวครีไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เนี่ยก็พรอมาติดตรงนี้ใช่ไหมเพราะท่านเอาเรื่องอนัตตลักขณสูตรมาตั ด, ต, ดตัดสรุบรรลุธรรมพร้อมกันเรื่องห้าคนเลยใช่ไหมอตอนแรกการเรื่องบุธมจักรกัพกนนสูตรก็มีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมผูดเดียวคือท่านอธิกากุฏิยะทั้งสีท่านนั่งอย่างระอรหันต์ก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นอสูรบาตรก็ยังไม่ได้พออีกหลังจากนั้นสมเดือนอแล้วว่ามีการวางปูพื้นฐานกันให้ดีซสก่อนสเดือนนี่คงจะได้รู้จักรูปนางกันพอสมควรท่านก็มาตัดเรื่องอนัตตลัคณายสูตรเพราะเดียวเท่า น, นั้นเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดใน <c oughs> ในในพระสูตรเนี่ยท่านบอกว่ารูปเสียงคิดสัมผัสเป็น อนัตตาลูกตาของจมูกริ่นกายใจก็เป็นอนัตตานะทีนี้เราก็มาเถียงกันเรื่องอัตตาอนัตตาจนกระทั่งในทุกวันในเมืองไทยเราที่แยกเป็นละที่นิกายในเมืองไทยก็ยังเถียงกันอยู่าละที่หนึ่งก็บอกว่านิพานเป็นอัตตาบอกว่าละที่หนึ่งบอกไม่ใช่นิพานเป็นอนัตตาเถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งแตกแยกละที่นิพานที่จริงแล้วไม่ช่ไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่ทั้งอนัตตานิพานเป็นอะไร นิพานานั้นเป็นธรรมมาเามาเห็นว่เป็นธรร ม, มานะไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาเพราะอัตาตาอนัตตาสมมุติเอาเงาเมืดเงาสว่างเราสมมติว่าเงาเมืดได้เป็นอัตตาเงาสว่าง เ, าเป็นอนัตตาอ่มันก็ยังมีนั่นอยู่แต่เหนือเงาเมืดเหนือเงาสว่างนั้นนะคือพรนิพานไม่เป็นทั้งสองอย่างแล้วนั่นเองเราจะเข้าถึงรากมันได้อย่างไรว่ารู้จักรูปนามยกมืออย่างนี้ ให้รู้จักรูปนามแล้วไม่เกี่ยวข้องอัตน า, าตาตรงไหนอ่ะเพื่อจะกลับมาเห็นว่าตัวรูปนามของเราจริงๆแล้วเนี่ยให้ท่านมาเห็นว่ามันมันคืออะไรอ่ามันคือกองของอะไรกองของอนิจจ์ใช่ไหมกองของทุกขังกองของอนาฏตาทาั้งทั้งที่รู้อะนะท่องได้ขึ้นจีขึ้นใจแต่เราเคยถ่ายถอนออกอย่างาทางั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นทุกเป็นนาฏตา แต่เราก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขเป็นอัตตาแล้ะเป็นของที่ทเที่ยงเช่นเวลาเราป ổi, ่วยเราก็ไม่อยากจะให้มันป่วยเวลามันตายเราก็ไม่อยากจะตายรังโยยยารักษาตัวเองขนาดนั้นเพื่อจะให้มันยั่งยืนเพื่อจะให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของมันก็ไม่ใช่หมายความเราจะวิ่งไปหานิ่สั่งตู้หาอัตตาหมายคือยอมรับความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับมันแต่ว่า ไม่ใช่ปล่อยให้มันไปตามยาถากมก็ไม่ใช่นะโอ้เป็นอนนีจังทุกขังหน้าตาจะไปเยียยารักษามาเลยอย่างเงี้ยถูกไหมก็ไม่ใช่ อ, อีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตายไปเป็นธรรมดาท่านหลายจงเจริมสติให้ถึงพร้อมนี่ท่านบอกว่าเตรียมตัวสติตัวปัญญาใช้มันใช้อันนี้จังทุกขังอน้าตาไ ม, ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับแต่ใช้ ใช้ให้เป็นประโยชน์นะฉันใช้คาว่าให้เจริญอะไรอา น, นิจจัาอา น, นิจจสัญญาที่ทูดถงนี้ให้เจริญทุกขสัญญาให้เจริญอนัตตสัญญาเพราะว่าอั น, นิจจสัญญานี้บางอะไรอั น, นิจจังบางอะไรนะอา น, นิจจังนะอนเลี้ย บ, บทุกขใช่ไหมอะ ตัวอนิจจ์เนี่ยมันไปบังตัวตัวสันตติฉะั้นใช้คำว่าตัวสันสันตติคือความต่อเนื่องมันไปบังอนิจจ์สันตติคือความต่อเนื่องไปบังอนิจจ์เราก็ไม่เห็นอนิจจ์เพราะเราเห็นว่ามันคงที่มันต่อเนื่องตลอดใช่ไหมล้วก็ตัวนี้มันก็เลยไปบังเราก็ให้เจริญอนิจจ์อนิจจ์สัญญาเพื่อตัดอะไรตัดความสําคัญมันหมายว่าเที่ยงนี่แหละที่มันต่อเนื่องไปสันตติเนี่ย ก็เห็นถ้าสมมติว่าไ ม, ไม่เห็นรูปนามเนี่ยมันก็ยากในการที่จะดูอ น, นิจจังได้ตลอดนะมันก็จะไปดูเรื่องอื่นนะเพราะอ น, นิจจังรูปขังธนาตาเป็นความจริงของรูปของนามแต่ถ้าจิตของเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะไปดูความจริงไม่ได้เหมือนเราไปเหลือบตาดูแสงพระอาทิติเนี่ยเราดูไม่ได้ดูดูไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะแสงไปไงมันกล้าเกินไป แต่ความจริงที่ปรากฏในตัวเนี่ยมันกล้าเกินไปมันแจ่มชัดเกินไปเราก็ไม่อยากใหญ่ดูเราหันไปหาเรื่องอื่นหาไปสนุกเรื่องอื่นหันไปดูหนังสือไปดูโทรทัศน์ไปทํากันเพื่อที่จะห น, นีความจริงอันนี้หนีไม่พ้นอ่ะหาทางไปเรื่อยๆเนระื่ยเพื่อที่จะหนีความจริงแต่พระพุทธเจ้าบอกต้องกลับมากลับมาดูกลับมาศึกษาับมาทําความเข้าใจมันจนกระทั่งว่าเหตุ น, นิจังทุกขังหน้าตาอยู่ในนี้เป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่ นั่นแหละมันถึงจะอยู่แสวงหาไอ้การที่จิตของเราที่มันไปแสวงหาพบนอกจากที่จะไม่เข้ามาดูนิจังทุขังอนัตตาตัวนี้ตรงที่มันไปแสแสวงหาพบใหม่ตรงนั่นแหละเรียกว่ามันสร้างอัตามันสร้างที่อยู่ของมันใหม่นะเพราะว่าตัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นอนัตตามันยอมรับไม่ได้มันก็เลยไปสร้างอัตตาเป็นที่อยู่คือไปสร้างพบสร้งชาติ แังนั้นมีทางเดียวก็คือจะต้องเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นให้เห็นความจริงตรงนี้ให้ชัดๆเมื่อเห็นความจริงดรวยนี่ทัดก็ต้องเห็นยังไงเห็นจนมันเป็นความจําเลยอ่ะเป็นอันนี้จะสัญญาเป็นสัญญาขึ้นมาเลยว่าเป็นจําได้ว่าลักษณะนี้ไม่เที่ยงลักษณะนี้มันเป็นทุกลักษณะนี้เป็นอนัตตาเป็นสัญญานึกได้แต่ละเวลาจนกระทั่งจิตของเราไปคุ้นว่าอันนี้คือก้อนแห่งอันนี้จำทุกขังน่ะจ๊ไม่ใช่ก้อนของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ต้องเห็นกันขนาดนั้นนั่นแหละจําขึ้นจิตขึ้นใจในที่สุดพอเราเห็นวนะ่าร่างกายชีวิตนี้คือก้อนแหงอ น, นี้จงทุกของอังนัตตาความสำคัญมั่นหมายอุปาทานมันจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆตรงนั้นคือตะะัดรากตัดรูทของอัตตาดังนั้นรากรูทของอัตตาคืออะไรลองนับดที่อวิชชาก็ให้เกิดเลยนะสังขารสังข า, ารเนี่ยเกิด วิญญาณวิญญาณกเกิดเกิดในนามว ร, รูปนี่คือต้นตอของอัตตานามวรูปนี่แหละคือต้นตอของอัตตาแล้วต้นตอของนามวรูปคืออะไรวิญญาณสังขารย้อนไปอวิชชาใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่รูดรากรูดมันที่แท้จริงคือตัวอวิชชานะทีนี้ตัวอวิชชาปแปล ว, ว่าความไม่รู้เท่าทันใช่ไหมทีนี้จะทําำไงให้รู้เท่าทันก็ต้องมาเจริญ วิชาอนะแล้ววิชาคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวเห็นไหดังนั้นการมาเจริญความรู้สึกตัวมันจึงเจริญตั้งแต่ทำลายลากเง่าของอัตตามาตั้งแต่ต้ตตนเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่เป็นเรื่องที่ทาง่ายๆแต่ถ้าไม่รู้จักทำหรือมองข้ามก็ไม่ทำไม่สำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเยมาถึงมั่นใจว่ามันเป็นประตูเดียวจริงๆนะที่จะ มาทำํำณจุดนี้ถ้าทําจุดนี้ก็หมายความมาโหทั้งหมดคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสามสี่ประการทําจุดนี้ให้ให้ชัดเจนทีนี้ไอการเจริญสติที่ได้กล่าวมาวันก่อนว่าถ้าเราเป็นเจริญกับรูปแบบต่างๆนะลมหายใจรูปแบบต่างๆเนี่ยมันช้าไม่ใช่มันไม่ถูกนะมันถูกเหมือนกันแต่มันช้าเหมือนเราจะตีหินก้อนใหญ่ๆให้แตกเนี่ยเราใช้ค้อนเล็กๆเนี่ย กวมันจะแตกหมดได้ไปไงโอ้ใช้เวลานา น, านมากนะแต่ใช้หินก้อนขนาด น, นี้ใช้คอนปอนขนาดใหญ่ทุบก็ไปนะไม่นานนะแหลกฉันใดก็ดีเมื่ออัตราตัวตนของเรามันเป็นหินก้อนขนาดใหญ่เนี่ยเราจะใช้ลมหายใจเล็กๆเหมือนคอนเล็กๆเกนี่ยมาน่อยป๊กปอกปองมันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะแตกละลายสักทีนะยกมือแรงๆเนี่ยเป็นคอนปอนนะเนี่ยคอนปอนขนาดใหญ่ทุบก็ไปปัง ฟังๆเองมันไม่แตกแค่มันรู้ไปนะเนี่ยมาถึงมันจะอ๋ออันนี้คืออุบายในการที่จะไปทุกให้ความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยเพ้อปั๊บมันไปแล้วเพ้อปั๊บลืมแล้วเนะนี่ยถึงจะบอกกันทุกฝีก้าวก็ยังยังลืมยอยู่อ่ะขนาดนั้นนะท่า น, นั้นเองตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราก็เห็นเป็นเรื่องเล็กไปนะก็จึงอยากจะเน้นแล้วเน้นอีกนะมันจะ น้เบือน้สเซงกันได้ก็ต้องเย็นนะเพราะนอกจากประตูนี้มันไม่มีประตูอื่นเลยนี่พระเจนะ้าตัดเอาไว้นะตัสไว้ว่าไงเอกายานูใช่ไหมขึ้นต้นนอ่นเอกายานูพิกาเวอยังมารโคสัตานวิสุธิยาแต่ทางนี้ทางเดียวนะโอลิวันเวเห็นไ่มโอลิวันเวย์ทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีเราสถาคดได้แสวงหาทางนีง้ทางเดียวที่จะเป็นเพื่อนหนึ่ง สัตตานังวิสุทธิญาเพื่อความบริสุธ์หมดจดใช่ไหมของจิตอันที่สองคำว่าสัตว์ไม่รู้สัตวไหนบ้างออกมาก็ใช้คําว่าจิตดีกว่านะเพื่อความบริสุธิ์หมดจดของจิตแล้วก็เพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความพิไรดับพิไรดําพันุเพื่อความตั้งอยู่ไปได้ของความทุกข์และโทมนัสเพื่อการบรรลุธรรมที่ควรบรรลุและเพื่อทำผลิพานให้แจ้งมีทางเดียว คือสติปัญญาสี่นะทีนี้ในสติปัญญาสี่ทาให้เหลือสองได้ไหมกายกับเวทนารวมเรียกว่ารูปอ่าจิตกับอารมณ์รวมเรียกว่ า, วววานามเห็นไหมเมื่อว่าอริยสี่สติปัญญาสี่รวมแล้วมันเหลือแค่สองจริงๆในรูปกับนามเพราะฉะนั้นตีตรงนี้ให้แตกแล้วมันตีทะลุหมดนะฮะทเรื่องรูปกับนามนี่แหละนะรูปก็คือสิ่งที่แต่รูปมันมีสองอย่างใช่ไหมรูป ที่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุเขาล่ะรูประธาตุที่เราดูเมื่เกลรูปพระธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยคือรูปตัวที่เป็นดุจเป็นแท่งเขาเรียกว่ามหาปูตารูปอันนี้รูปอันหนึ่งนะรูปอันนี้เป็นธรรมชาติที่ได้มาจากกรรมแต่รูปที่เป็นในอริยสัตว์ท่านไม่ได้หมายถึงรูปตัวนี้แต่ท่านหมายถึงรูปประขันรูปประขันกับรูปพระธาต์ต่างกันตรงไหนต่างกันยังไง รูปประทันขันกับรูปประธาต์อันเดียวกันหรือด่างกันรูปประธาต์หมายถึงตัวที่เป็นวัตถุนี่ใช่ไหมถ้ารูปประขันนะรูปประขันหมายถึงนามารูปอ่ารูปในขันห้าหมายถึงนามารูปนะเอามาพูดไปบางก่อนว่าอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาท้ว่ารูปกับสังขารด่างกันยังไงในขันห้ารูป หมายถึงว่าเวลาเราฉายภาพสไลด์เนี่ยมันจะขึ้นมาจึ้งเป็นภาพเลยนะหรือเป็นภาพภาพยนตร์เนี่ยปรากดพ อ, เอตเอาไว้ภาพมันจะนิ่งใช่ไหมพอรากดอีกทีหนึ่งภาพก็เคลื่อนไอตัวภาพเคลื่อนเนี่ยเป็นสังขารไอตัวที่พอดเอาไว้เป็นภาพนิ่งเนี่ยเรียกว่ารูปเกี่ยวข้องกันทันทีเลยใช่ไหมเพราะนี้มีตัวอะไรเป็นนั่นตัวสัญญาเป็นตัวตัวมุกตัวเคลื่อนให้ภาพระหว่างารูปนามารูปตัวนั้นนี่ยให้ เป็นสังขารเดียวกันดังนั้นรูปตัวนี้แหละนามวารูปตัวนี้แหละเป็นต้นต่อของคาว่าอัตตาในแต่ความจริงอัตตาก็มีหลายแบบนะมาจำไม่ได้แต่ว่าที่มาเขาเมืนก็แต่ว่าตัวที่ต้นของมันจริงก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันก็ได้ความไม่รู้สึกตัวก็ได้หรือความละเลยตัวเองก็ได้ความประมาทหลายชื่ออย่างความประมาทเลินเล่ อ, ล, อ, ล, อละเลยไม่เอาใจใส่ ในขณะปัจจุบันขณะเนี้ยดังนั้นเวลามาปฏิบัติเราจึงเน้นจุดนี้จุดเดียวไม่ต้องไปสงสัยเรื่องอื่นละถ้าจับจุดนี้ไม่ได้จุดอื่นก็จับไม่ได้เหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นต้นต่อของมันเป็นรากเป็นรูทเป็นเงาของมันเลยถ้าพยายามทุบตรงนี้ให้แตกตีตรงนี้ให้แตกไอ้ความไม่รู้สึกตัวเนี่ยให้มารู้สึกได้จริงๆแล้วให้มันกลายเป็นสัญญาอย่างน้อยสัญญากี่ฉบับถึงจะสําเร็จ สามฉบับสัญญาสามเฉบับจำให้ดีเซนลงเซนสัญญากันให้ดีนี่แหะว่าต่อไปนี้ฉันจะดูแกว่าเป็นอันนี้จะสัญญานะฮะเซนไปเลยจะดูแกว่าเป็นทุกขสัญญาไม่ใช่ฉันอีกแล้วนะประกาศไปเป็นทุกว่าเป็นนันตสัญญาไม่ใช่ฉันนะแต่ถ้าไม่เห็นลูกเห็นนําท่องไอ้สามสามอย่างนี้จํำกันได้ไหนมันก็ยังมองเห็นเป็นฉันอยู่ดีนั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะตัวที่ จะไปถอนรากรู้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวสัญญาใครเป็นผู้เซ็นสัญญาใครเป็นผู้เซ็นญญนะสัญญาสัญญาเขียนเดาไว้อย่างดีถ้าไม่มีการลงนามไม่มีการเซ็นสัญญาจะไม่เวิร์กใช่ไหมนี่ถามว่าใครเป็นคนเซ็นสัญญาในเงี้ยของนามาทำปัญญาห น, ะนังสือนะร่างอย่างดีนะใครเลยขายร่างถ้าเจ้านายไม่ยอมเซ็นนะหนังสือจะมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกัน สัญญาเนี้เมื่อกันเราจำไว้อย่างดีนะถ้าไม่เกิดญาณปัญญาขึ้นมารับรองนะไอ้สัญญาตัวนี้มันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเราจึงเจริญสติตัวนี้เพื่อให้เกิดปัญญาตัวนั้นแล้วปัญญาตัวนี้จะเกิดได้ไงยกมือสร้างจังหวะแว บ, บๆเนี่ยจะเกิดได้ไงอ่าอันนี้บอกกันไม่ได้นะอ่าลองทําไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าล่อมาน้อยขึ้นดอยนะคร <c oughs> ับว่าดอยขึ้นขึนไปเดี๋ยวไปเจอเองเลยน ะ, ะขึ้นไปแล้วไม่เจออะไรสักอย่างเล <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเขาจะพูดอะไแบบนั้นอาตอมาก็ไม่ยอมเสียเวลาถึงขนาดนี้หดังน ะ, ะถ้าสมมุติออกมาหลงทางหรือถูกหลอกออกมาคงจะโดนมาก่อนเห <c oughs> มือนกันคงไม่มาหล อ, อกต่อแนะะ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้ อทำไปมันไม่มีทางอื่นเลยนะต้องทำเท่านั้นแหละนะกูจะทําหินก้อนนี้ให้แต่ถ้าคุณไม่ทุบนะไม่มีทางอื่นนะต้องทุบรูเดียวเนี่ยเอาไปโม่อะไรเพในนามขอกาทุบนั่นแหละเหมือนกันนะไอ้ตัวความไม่รู้สึกตัวทีเนี้ยมันเป็นรากเป็นรูทของคำว่าอัตตาเพราะฉะนั้นทุบไอ้ความไม่รู้สึกตัวตัวเนี้ยให้มันให้มันแตกให้มันกระจายให้ได้ให้เป็นความตื่นรู้ให้ได้จนกระทั่งว่าไอ้ความตื่นรู้นี่เป็นสัญญาตัวใหม่ของชีวิตแล้วนะ ทำอะไรก็ปลุกตื่นรูยเสมอนั้นทำไมเราจึงบอกจึงเกินทุกอเดียบทในการกำรน้เพราะเราเคยหลับไหลมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกลับกี่กันแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นฮบบิต uh, ไปซึ่งมันจะยากขนาดไหนก็ต้องต้องแก้ทุกอย่างแก้ไขได้แต่ใช้ความพยายามที่โบรยาณใช้คาว่าอะไรนะอ่าฝนทั่งให้เป็นเข็มนาะ มันจะยากกันเลก็ฝนไม่ยืนนั่นแหละฝนท่านก็ไม่เข็มงเข็มในทะเลอะไรก็ แ, แล้วแต่แหละต้องทําละแต่อันนี้เราทํากับสิ่งที่เห็นคงไม่ยากถึงขนาดนั้นหล้วว่าตัวรู้สึกตัวที่เรารู้ได้เนี่ยทุกคนรู้ได้แต่ทําไมจึงยังหลังเลทําไมจึงไม่มั่นใจเพราะยังไม่เกิดปัญญาขึ้นมารับรองนั่นเองอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจะเกิดปัญญาวันไหนเกิด สัญญาณที่จะให้เกิดปัญญานี่ยก็คือมันจะต้องเปลี่ยนไปตามลําลดับก็คือหนึ่งรู้สึกตัวสองเมื่อรู้สึกแล้วมันเริ่มมาค้นหาความจริงว่าในตัวรู้สึกมีอะไรบ้างไม่ใช่ไปค้นหาในตำรานะสมมุติว่าเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราเริ่มลําดับละถ้าได้หัวจดเท้าเท้าจดหัวนเนี่ยวันไม่รู้กี่หมื่นรอบแสนรอบเราจะดูแค่นี้แหละลักษณะจิตของเรามาสแกนขึ้นสแกนลงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าธรรมวิจัะ ใช่ไหมธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันยังไงคุณหมอวิเชน <c oughs> เป็นเจ้า <c oughs> นายยกสมางขมเก่าต้องถามก่อนธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันยังไงวิจาร์เนี่ยมันกระาย f e c t i n ดูไปทั่วแต่ถ้าวิจัยอะ <c oughs> ว, ว, วิจัยมันก็ เออจะเข้าตำราหรือเปล่านี้นะฮะคือวิจารณ์เนี่ยธรรมวิจารณ์เป็นสมุทัยแต่ธรรมวิจัยเป็นนิโรธต่างกันตรงนั้นไปดูเหตุสมุทัยของทุกข์ก็มีธรรมวิจาโลธรรมวิจักรูธรรมวิจารู้ใช่ไหมอ่าในนั้นยังเป็นสมุทัยอยู่เหตุให้เกิดทุกข์คือหมายความว่าธรรมวิจารณ์คือไปจําเอาอดีตอนาคตมาพิจารณา ไปตามเอออันนี้จังไปงี้นะทุกขงังวิณานะตาไปางี้นะพิจารณาไปเลยอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นสังขารแต่ธรรมวิจัยมันเป็นแฟกต์เป็นชุดขณะนี้สมมติว่านั่งมานึกรู้สึกยังไงปวดหลังนี่อื่นเนาะเข้าไปดูว่าความปวดหลังเกิดจากอะไรการเข้าไปดูของจริงในขณะนั้นเขนาเรียกว่าธรรมวิจัย ถ้าถ้าไม่เกิดสติก่อนเนี่ยมันจะกล้าเข้าไปวิจัยไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะมันของจริงจิตมันไม่กล้าที่จะเข้าไปดูขนาดนั้นแล้วเพราะมันกลัวกลัวเจอของจริงแต่พอเราเห็นรูปเห็นนามแล้วมันสนุกที่จะเข้าไปดูของจริงแล้วทีเนี้ยอ่าที่เคเรียกทำมัวิจัยะเมื่อเข้าไปวิจารณ์ไปสแกนดูของจริงจิตมันจะฟุ้งไปรับอารมณ์ข้างนอกเนี่ยบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะมารับรู้ข้างในก็เกิดเห็นแล้วยิ่งสนุกยิ่งขยันใช่ไหม ยี่ขยันที่จะรู้เรียกว่าอะไรวิริยะอ่าพอเกิดวิริยะขยันดูขยันรู้ขยันเห็นเอาไปมาจิตไม่ไปรับรู้ในอดีตอนาคตจิตมันไม่หนักจิตมันเบาเกิดอะไรปีติใช่ไหมเกิดปีติขึ้นมาอ่ า, <ม>อาเกิดปีติทราบทาบเห็นปัจจุบันเห็นชัดเห็นแจ่มชัดแล้วจิตนั่นก็สงบเป็นปัสสติอ่าพอปัสสติเราก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเป็นสมาธิ แล้วก็ต่อไปก็เห็นร่างกายนี้มันวางเฉยมันไม่ได้ยืดว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเห็นเป็นอะไรอะนิดอย่างทุกขังอนัตตาอยู่ในผู้ชงจิตไหมเนี่ยสติมันต้องเริ่มตรงนี้ถ้ามันถูกทางมันจะไปทางของผู้ชงจิตแต่ถ้ามันไม่ถูกทางมันก็จะไปแง่ของวิตกวิจัยไปทางนั้นซึ่งตรงนี้คือความต่าง ดังนั้นดึงบอกว่าจะทำยังไงให้มันได้สติจริงๆเสก่อนถ้าได้จริงๆจมันจะไปตามทางของผู้ชมเลยที่เป็นสถิประฐานก็เรียกวอะไร น, ะสมมสน ะ, ะสัมมาสตินสัมมาสติที่นี้สัมมาสติมีกี่อย่างจูขอนำาลวพ่เกสัมมาสติมีอะไรบ้างคุณโทนี่ฟังมาบ่อยคงจะจำได้นัเ่เรียนที่สอบตกปริญญาตันเยอะเลยนะ ทั้งนี้เพื่อจะเห็นว่าเราทำเนี่ยไม่ใช่มโมเมทํานันมันมีหลักมีฐานมีที่ไปที่มานะให้ความมั่นใจถึงจะอางตำราบ้างก็ไม่เป็นไรเพื่อให้รู้ว่ามีที่มาที่ไปแล้วเราจะได้มั่นใจในระดับหนึ่งในการทำถึงแม้ว่าเรารู้ทั้งรู้วความรู้สึกตัวนี่มันใช่แล้วนะแต่ว่าในเมื่อปัญญาไม่เกิดมันใช่ยังไงมันก็ยังไม่ค่อยเต็มที่อยู่มันก็ยัไม่เป็นไรนะอ่า ก็ไปอยู่กับความคิดอานนานๆทีก็กลับมาความรู้สึกไม่ได้มันไม่พอกันไฟตั้งเป็นกองบุหริ่บุหรี่เอาน้ำไปสาดสักกระป๋องนึงเนี่ยมันดักไม่ได้ความคิดท่วมหัวรวมเก้าวเนี่ยก็รู้รู้สึกตัวเดี๋ยวเดียวเนี่ยมันไม่สมดุลกันมันจะต้องความคิดมาเท่าไหร่ทําความรู้สึกตัวเท่านั้นนะประสบการณ์ชีวิตในประจำวันก็คือเวลาเราล้าง ถ้วยล้างชามทุกครั้งกินแล้วต้องล้างเข้าห้องน้ําครั้งใดต้องล้างครั้งนั้นเข้าห้องน้ําไม่ล้างเกิดอะไรขึ้นอ่ากินข้าวไม่ล้างจานเกิดอะไรขึ้นคิดแล้วไม่ล้างใจเกิดอะไรขึ้นอาการเดียวกันเลยไม่ได้ต่างกันแล้วคิดแต่ละวันเราล้างใจบ้างไหมเราเป็นยังไงอ่าเข้าห้องส้วมเหม็นฉุงเลยใช่ไหมไม่ล้าง พอคิดแล้วไม่ล้างใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าอารมณ์มาคิดอะไรออกมามันก็มีแต่เรื่องอกุศล น, นั่นคือความเม็นของมันเรื่องอกุศลเรื่องอคิดแต่เรื่องไม่เค่อยดีว่างั้นน่ะก็ไปดีได้ไงเพราะคิดเราไม่เคยล้างเลยเออถ้าเป็นถ้วยเป็นจานก็พอจะจับมาล้างได้ใช่แต่เป็นใ จ, จบบนี่จะล้างแบบไหนอ่ะฮะก็เราทำยกนี่น <c oughs> เออนเนี้ยเออเขาถ้าดีพอรู้เรื่องพอรู้จิจจากวิธีล้างบังละ แตบางครั้งมันเกิดขี้เกียจยกอะ่ะอยู่บ้านงานเยอะด้วยกัไม่มีเวลายกมือใจก็สกปรกมันเดือดไปเนะเออทํายังไงให้มันล้างได้ทุกครั้งที่มันคิดอะ่ะจะคิดจะล้างใจแต่ทีมันนั่งยกมือโอ้ไม่ได้วันวันคิดเท่าไหร่มันก็ยกกันไม่หวันไม่ไหวใช่ไหมเ <laughs> พราะฉนั้นแทนที่เราจะเอาจานเอาชามไปใส่ของบ่อยๆก็ใส่เฉพาะที่มันจําเป็น ถ้าใส่ของมันจําเป็นใส่เลอะเทอะไปหมดมันก็เสียน้ําเสียเวลาล้างใช่ไหมจิตก็เหมือนกันถ้าจะคิดคิดในสิ่งที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องคิดเหมือนจาน่ะใช่ไหมล้างเสร็จแล้วเอาไปใส่ของที่จําเป็นถ้าพอจาเป็นเสร็จแล้วก็ต้องล้างทิ้งนี่คือชีวิตประจำวันที่เราเห็นได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนเลยใช่ไหมอาการของจิตก็เช่นเดียวกันคิดทีใด ให้กำหนดรู้ทันทีว่ากำลังคิดอะไรการเข้าไปกำหนดรู้จนกระทั่งความคิดจะพ้นจากอาณาจักรของจิตได้นั้นเรียกว่าล้างแล้วแต่บางคนล้างหลายวันก็จะเสร็จอารมณ์เดียวเขาว่ามาตั้งกี่วันวันนี้นึกแล้วมีขุนใจอยู่เนี่ยมันอย่ล้างไม่ออกอะมันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแล้วมันเป็นน้ำมันนะนะแ้ามันเป็นสีอ่ะฮะคงจะใช้น้ําธรรมดาล้างไม่ออกแล้วมันต้องไปใช้อะไรนะ ใช้น้ํายาเคมีอ่ะนะฮเออทีนี้ไอเรามันน้าธรรมดาล้างไม่ออกทําไมเออาดังนั้นเองเอามาเลยบอกให้โยมหลายคนบอกว่าไม่ต้องอะไรคุณคิดคุณขยันคีดได้แต่คุณขยันล้างก็แล้วกันแต่ถ้าหาว่าคุณขยันคิดคุณไม่ขยันล้างคุณไปโทษคนอื่นไม่ได้คุณทําตัวเองนะแล้วคุณยังมาบ่นมาทุกข์ก็แล้วกันอทําไมทุกข์จังหรอว่าเอาไม่ทุกข์ได้ไงคุณเอาทุกข์ไปถมตัวเองบอกให้ล้างคุณไม่ล้างอ่ะอล้างแบบไหนอก็มานั่งยกมือ โอ้ไม่ไหวหลวงพ่อยกขี้เหียดอ้าวเขาช่วยอะไรไม่ได้แนละ้วจะล้างส้วมก็ยังขี้เหียดอยู่นะ เ, เวลาเข้าช่วงตัวเองก็เหมือนเดิมเลนแล้วนะ่าจะเห็นว่าอันนี้คือกฎที่เป็นลูกทำนามธรรมเห็นได้ชัดเลยว่าคาสอนพระเจ้าไม่ใช่มีสิ่งอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําบางทีคนอินเดียเนี่ยอาจจะเห็นว่าคําสอนพระเจ้าง่ายเกินไปเขาเลยไม่ค่อยเอาเขากลับไปาศาสษาอีนดูเหมือนเดิม ศา ส, สนาพราหมณ์เหมือนเดิมเพราะมันมีเรื่องล่อหลอกลึกลับมันสมกับอาัตตาอัตตาไม่ตายอะ่ะ ม, มันต้องหาที่อยู่ใช่ไหมแต่ของพุทธเจ้านี่ต้องเอาอัตตาให้ตายทีนี้บางคนเขาไม่อยากจะเอาแบบนั้นถ้าเออถ้าอัตตาตายแล้วเป็นอนัตตาจะสนุกอะไรชีวิตนี้ใช่ไหมมันก็จืดชืดใช่ไหมไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องให้ทุกข์เลยเพราะฉนั้นนั่นแหละถี่บอกว่านกมาเห็นฟ้าปลามาเห็นน้ําคนมาเห็นทุกข์มันจึงสนุกในทุกข์เหมือนหนอนสนุกในร่วงมันว่า โอ้พุทธิเจ้าว่าสะใจเลยคือสนุกในเรื่องคิดเอาแล้วจับ้ง น, นมาคิดจับสนุกเหลือเกินนั่นนะสนุกอยู่ในความคิดแหละแต่พุทธิเจ้าบอกว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในความรู้เราก็อยู่ในที่สว่างปลอดภัยกว่าถ้าสนุกอยู่ในความคิดเหมือนอยู่ในที่มืดมันอันตรายอะมันอันตรายมันสกรปรกดังนั้นเองวิธีการคือทาแบบ อย่างที่เราทํากันเนี้แต่ว่าจะทําอย่างไรสามารถนําเอาตัวรู้สึกที่เราได้จากการยกมือสร้างจังหวะเนือน้อเนื้อเนี่ยเอาไปแอพพลายไปประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนไหวปกติระหว่างการเคลื่อนไหวปกติกับการมานั่งสร้างจังหวะแบบเนี้ ว, นวันวันหนึ่งอัะไรมันมากกว่ากันอ่มันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมการเคลื่อนไหวปกติเนี่ยโอ้โห9ก้าสเอร์เเลยนะ กลับไปบ้านนี่จะมีสักเปอร์เซนต์หรือเปล่ามนั่งยกมือจะเหลือสักเปอร์เซนต์หรือเปล่าก็นั้นแหละเพราะฉะนั้นเองต้องเอาอย่างน้อยห้าสิบห้าสิบอะนั่งรู้นั่งยกมือห้าสิบแล้วก็ไปรู้ในเคลื่อนไหวปกติสักห้าสิบแต่รู้จริงๆนะไม่ใช่รู้เผืินๆนะรู้ชัดๆรู้แบบมั่นใจแต่ทุกวันที่มันช้าเอย่รู้แบบไม่มั่นใจอ่าถ้ารู้แบบมั่นใจนะโอ้โหจะจับแก้วแต่ละทีรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่ได้รู้สึกตัว กินน้าแต่ละทีมีความสุขกับความรู้สึกตัวเอาขนาดนั้นเลยนะอย่างนั้นมันไม่เวิร์กนะอย่างั้นมันทํำท่าจะหลงๆ ล, ลืมๆอยู่เรื่อยวันๆธุรกิจเป็นหลายๆอย่างเข้ามาอันนั้นก็ทําอันนี้ก็ทํากินแต่ไปอยู่วุ่นอยู่กับทำทั้ทงวันเลยถามว่าการเจริญสติจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติไหมไม่เป็นแต่แบ่งความรู้สึกให้เป็นเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยให้ แบ่งความรู้สึกที่สมมุติว่าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะจะจับแก้วเนี่ยส่งไปที่แก้วแค่สามสิบเปอร์เซ็นตพแต่ว่าความรู้สึกที่อยู่ที่มือถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้โอเคแต่เมื่อก่อนที่เราไม่รู้เรื่องเนะี่ยอยากจะดื่มน้ำเนี่ยจิตมันทุ่มไปที่ไหนละแก้วได็ดสิบเปอร์เซ็นเยแล้วรับรู้นี้บ้างไหมรู้เหมือนกันแต่รู้โดยสันอะไร สัญชาติญาณไม่ได้รู้ด้วยวิปัสนาญาณเห็นไหมรู้ทำไมจะไม่รู้ถ้าไม่รู้จะจะหยิบขึ้นเอะก็ <c oughs> <c oughs> มารู้ด้วยสัญชาติญาณนะไม่ใช่ปัญญาญาณ น, นะเพราะนั้นรู้ด้วยปัญญาญาณคือรับรู้จริงๆรู้อย่างมีรู้หนักรู้เบานะเพราะฉะนั้นให้ดำลงตัวรู้สึกตัวชัดๆที่ตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซนตถ้าถ้ายังมันค่คอยหลุดดูเลยนะ แล้วก็ไปจับปากกาดินสอล้างถวยล้างชำแล้วก็ทํารู้เสมอว่าฉันให้แกสามสิบเปอร์เซ็นนะแต่อยู่ที่มือของฉันให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไหวไหมโอ้มันยากโอ้มันยากถ้าพยายามมันไม่ยากมันไม่มีทางอื่นเลยนะถ้าไม่ทํอย่างนี้ไม่มีทางอื่นเลยนะใครรวยใครไม่รว <c oughs> <c oughs> ยสามสิบเปอร์เซ <c oughs> ็นต ยังมีการต่อรองเอาห้าสิบเอาห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันนะะเอาพบกันครึ่งทางห้าเจ็ดสิบมันมากไปเอาห้าสิบก็แล้วกันเนี่ยถ้าพยายามจริงๆนะมาว่าทุกคนเป็นไปได้หลวงพ่อเทียนท่านถึบอกว่าหมือนหลุมที่ลึกกว้างร้อยโยนลึกร้อยโยนใช่ไหมแล้วก็เอาเวทนี้อาใส่เข้าไปแต่ละวันเมื่อไหร่มันจะเต็มเสียทีแต่ท่านหมายถึงว่าจิตของเรามันว่างจัก ไอ้ความรู้เนี่ยมันลึกมันใหญ่เหลือเกินนะแต่ถ้าเราวันขยันเติมเข้าไปเติมเข้าไปไอ้เติมเฉพาะนั่งสร้างจังหวะทั้งวันก็ยังไม่พอนะลุกไปกินข้าวอีกอ่ะลุกไปอาบน้ําไปห้องน้ําไปทํำตามการทํางานเราหลุดไปเท่าไหร่ต้องตามเก็บให้หมดด้วยเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้วกันจนกระทั่งมากเข้ามาเข้ามันกลายเป็นอัตโนมัติที่เรียกว่าปรมาณถ้ามันเป็นปรมัาณเมื่อไหร่นี่ไม่ต้องตามเก็บก็แล้วมันเป็นเอง ทัเนือทั้งตัวทั้งกายทั้งใจเป็นเป็นสติหมดไม่เหนื่อยแล้วที่นี้สบายนะมันเป็นระบบออโต้ที่ได้กล่าวมาวันก่อนถ้าหากว่าเป็นในานมามธรรมหรือว่าประมาธิฐานในแง่ของรูปธรรมหรือว่าอโตโมติกใช่ไหมอ่าระบบอนะัตโมตินี่ทางรูปธรรมเขามีรูปธรรมก็พัฒนามาจากนามธรรมในหลวงพ่อเจ้าค้นพบมาสองพันกว่าปีแล้วนักวิทยาศาสตร์เพิ่งมาพัฒนาตามมาใช่ทีหลังเนาะนะระบบออโต้นี่นะดังนั้นจุดนี้มาว่า เราอย่ายังเล่กันเลยไอ้ความรู้สึกตัวซื่อซื่อใสใ ส, สเบาเบสบายสบา น, นี่แหละนี่แหละคือตัวต้นแห่งมรรคผลนะไม่ถึงมันไม่เป็นวันนี้ก็ให้เชื่อไว้ก่อนก็แล้วกันรับรองว่าไม่ผิดถ้าผิดมาเรามาผิดเองสองมาสิปียี่สิบปีนะเพราะอะไรเพราะพิสูจน์ได้สัมผัสมันมาตลอดมันไม่เคยลืมนะมันกลายเป็นสัญญาที่ติดเนื้อติดตัวไป แล้วก็นำไปบอกให้คนอื่นคนอื่นเขาทำตามก็ได้ผลแบบเดียวกันหลังจากมาสัมผัสรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจแล้วทีนี้บางคนก็หลังเละฉันเป็นชาวบ้านนะต้องทำการทำงานประกอบอาชีพอะไรต่นนางปฏิบัติแบบท่านได้ยังไงอันนี้คิดผิดถนัดะเพราะหลวงพ่อเทียนท่านบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเครือ่ายแลใช่ไหตั้งแต่แล้วก็มาสอนแบบครได้ถึงสองปีท่านถึงเข้ามาบวช สาเหตุที่บวชเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเพื่อดำรงศาสนาไม่ใช่นะเพราะอะไรในช่วงที่สอนอยู่กับบ้านเนี่ยสอนละคนก็เข้ามาปฏิบัติกันเยอะใช่ไหมทีนี้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่คุณหมอเป็นหมอจำนงเหมือนเดี๋ยวนี้นะท่านเป็นเจ้าภาพเองอ่ะหน้าแรงหน้านันมาก็เก็บปลาเก็บหน่อไม้ใส่หายเอาไว้เพื่อการภาษาคนมาปฏิบัติจะได้ออกเลี้ยง อา้าวทีนี้คนที่ตั้งใจมาปฏิบัติได้ผลก็ดีไปที่บางครอบครัวครอบครบวัวยากจนเนี่ยมันถือโอกาสมาทั้งครอบครัวเลยมานอนกินที่บ้านเลยอ่ะ <c> ฉ <oughs> ันก็ยกมือให้ดูอ่ะแต่ว่าทั้งลูกทั้งหัวยกมือให้ปฏิบัติทั้งวันโอ้แบบนี้จะเลี้ยงกันยังไงไหวท่านบอกว่าแบบนี้ฉันออกบวทดีกว่าฉันจะเลี้ยงมิฉันจะบินชา บ, บ้านเลี้ยงกันนะน่าสะเหตอนท่านออกบทคือสะเหตอนอันนี้นะให้คนมาอยู่มากินปฏิบัติแล้วถ้าเลี้ยงไม่ไหวเอาไปเอามาจะจนเอาง่ายๆเหมือนกันเนาะ ก็เลยท่านก็ออกบวชเพื่อจะบินเทบัตฑเลี้ยงนักปฏิบัติแค่นั้นนะพอบทชวันแรกก็เขาก็นิ ม, มนต์ไปอบรมกับประธานเลยเมื่อกันนอะอันนั้นคือปฏิญาณของท่านเพื่อที่จะมีโอกาสได้เผยแพร่สัจธรรมตันี้เท่านั้นอแล้วอสองปีนี้ก็เรียกว่าสมบัติหมดไปตั้งเยอะเหมือนกันว่าเลี้ยงคนท่องปฏิบัติที่เขามาอยู่กินด้วยเนี่ยนั้นจะเห็นว่าในเมื่อเข้าไปสัมผัส ต, ตัวนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ ถ้าอามาได้กล่าวมาวันก่อนแล้วละผู้ใดก็ตามได้สัมผัสโพธิปัญญาตัวนี้แล้วเนี่ยจะเกิดคุณสวัติเหมือนกับหมวดสามประการจําได้ไหมที่ว่าวันแรกมีอะไรบ้างคุณของพระพุทธเจ้าสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งพระปัญญ า, าปัญญาคุณอันที่สองบริสุทธิ์ที่คุณอันที่สามระหว่างปัญญาคุณกับบริสุทธิคุณเนี่ยไหนมาก่อน อ่าปัญญาต้องมาก่อนใช่ไหม mm hmm. เพราะบาลีรับรองว่าปัญญายะบริสุทธขติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาบริสุทธิ์ไม่ได้นะถ้าจะให้พ้นทุกข์ก็ไม่ให้พ้นทุกข์ต้องใช้ความเพียร น, นะวิริย์นะทุกขมัจเจติต้องเพียรเท่านั้นจึพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าจะสะอาดแล้วต้องใช้ปัญญานะีเมื่อเกิดปัญญาทําตัวเองให้สะอาดแล้วมันไปเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แบบเดียวกับ ท่านที่เคยเป็นมาก่อนก็เลยอดไม่ได้ที่จะช่วยจึงเกิดอันที่สามมาคืออะไรพระมหากรุณาที่คุณกรุณาที่คุณพระพุทธเจ้าไม่มีเมตานะแต่มีกรุณาเพราะกรุณานี้สูงกว่าเมตานะเพราะถ้าไม่มีเมตามาก่อนกรุณาเกิดไม่ได้ดังนั้นเราจึงทําตัวเนี้ยไปให้เกิดเป็นโพธิปัญญาเมื่อเกิดโพธิปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัว บรสุทธ์โดยสะอาดทําให้เราสบายเมื่อสบายแล้วก็เห็นเพื่อนก็เราก็ไปทุกแบบเขามา่ก่อนนะเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาเมื่อเราทําได้เขาก็ต้องทําได้ก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของท่านท่าก็สามสิบปีจะพูดเรื่องเดียวนี่ยแหละพูดในเรื่องความรู้สึกตัว นะไม่ผูดเลือกขึนแต่ผู้เลืออื่นก็ดึงนั้นมาใส่อย่างที่เราฟังนะั่นแหละจับนั้นมาใส่มาตรแล้วว่าต้องการจะสื่อความหมายตรงนั้นเท่า น, น, นั้นนะนะแต่ว่าถ้าจะใช้บริบทเยอะแยะพวก น, นเราก็งงบางทีนะถ้าเราไม่มีพื้นนะนั่นนะเรื่องนี้จึงอยากจะให้ตามเก็บทุกทุกอิยาบทมันเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งนะว่าอย่างอื่นเราทําได้คิดเรื่องอะไรจ่างเราทําได้แต่ทําไมเมื่รู้ตัวเนี่ยถึงจะทําแบบ ขยันไม่ได้เนื่องจากว่ามันไปทําลายอัตตาอัตตาเราไม่ยอมทําตัวเนี้ยมันเป็นการเข้าไปทําลายหลังที่อยู่ของอัตตาโดยเฉพาะเลยทีนี้เราจึงไม่มันอัตตาจึงไม่ไม่ไม่เอาด้วยไงมันจึงไม่อยากที่จะขยันที่จะทําแต่ถ้าบางคนรู้จักที่ไปที่มาของอัตตาว่าอัตตานี้มันให้ทุกข์ขนาดไหนมันมีโทษมีภัยต่อชีวิตเราขนาดไหนเราเห็นโทษมันนะั้น เราถึงจะหาวิธีการทํำลายด้วยกันเพราะอัตตานั้นเป็นภาวะที่ลบที่มืดเราค่อสร้างภาวะที่บวกที่สว่างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องสร้างภาวะอีกสิ่งหนึ่งมิติหนึ่งขึ้นมานะเหมือนกับเราจะไปทําลายความมืดเนี่ยในห้องเนี่ยปิดไฟหมดเนี่ยเราจะไล่มันด้วยวิธีไหนทเทคนิคต่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราก็สร้างอีกมิติหนึ่งที่ตรงข้ามกับมันก็คือสร้างแสงสว่างขึ้นมาพอแสงสว่างขึ้นมาปั๊บเนี่ย ความมืดหายไปทันทีใช่ไมัมแทนที่จะปไปไล่ตีความมืดเชอะเต็มที่ตีมันไม่ตายตัวอวิชชาคือความไม่รู้เหมือนกันถ้าเราจะไปหาความรู้ถิ่นอื่นเนี่ยหาความรู้จากแหล่งอื่นไม่มีทางที่จะไปฆ่าไอ้ความไม่รู้ตัวนี้ได้นอกจากมาหาความรู้ในตัวของมันเองไอ้ความไม่รู้เกิดขึ้นตรงไห น, นหาความรู้ตรงนั้นแหละ อันนี้ความไม่รู้เกิดขึ้นตรงนี้แต่ว่าเวลาไปหาขวาลรู้หาความรู้กับตำรับตาลาหาความรู้กับครูบาอาจารย์หาความรู้จากสํานักอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะมาหาความรู้กับในตัวของตัวเองเพราะมันเกิดที่ตรงนี้มืดมันเกิดตรงนี้ทุกมันเกิดทีต้องแสวงหาความไม่ทุกตรงนี้แล้วมันถึงจะทดแทนกันได้นะถ้ามันมืดตรงนี้เราไปเปิดไฟห้องนู้นนะตรงนี้มันหายไหมคมมืดตรงนี้หายมัน มันก็ยังมเหมือ น, มนเดิมนะมันมืดตรงนี้ก็ต้องเปิดมันห้องนี้แหละมันถึงจะแก้กันได้เมื่อมันไม่รู้สึกณจุดนี้แล้วก็ต้องหาความรู้สึกณจุดนี้เหมือนกั น, นดังนั้นเองจึงอยากอะาให้เกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็ใช้สติปัญญาสุดความสามารถในการที่จะสร้างตัวรู้สึกให้มันลอยเด่นเป็นนิสัยของจิตให้ได้โดยที่ไม่ให้จิตเนี่ยไปพึ่งพาต่อความคิดหรืออารมณ์ไปหล ทำมันทุกวันนะ่ะเอามาว่าพู้ทีเจ้ท่านประกันไว้เลยนะถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยนะอย่างแย่ๆที่สุดไม่เกินเจ็ดปีใช่ไหมย mm hmm. อ, อย่างแย่ๆถ้าทั้งคนนั้นทั้งขยันทั้งฉลาดด้วยเนี่ยไม่เกินเจ็ดวัน mm hmm. นะท่านประกันไว้ตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มีว่างไหมเนาะก็น่าจะมีว่างะนะเนาะเจ็ด <laughs> วันนี่น ะ, อะเอาอะอย่างนั้นก็เจ็ดปีบางคนบวชมาสี่ปียี่สิบปียังยังไม่รู้เรื่องเลยก็เพราะว่ามัน แกไม่ตรงจุดนะเพราะฉะนั้นของพระเทียนบอกว่าโอ้เจ็ดปีนี้ยังยาวไปนะผมบ่าแค่สามปีก็พอกันนะนั่นขนาดนั้นเองบอกว่าตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอย่างต่ําอย่างสูงอย่างกลางาตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีอย่างช้าสุดหนึ่งปีถึงสามปีนี่วิธีการหลงพ่อเทียนนะท่านบอกรู้แบบเดียวกันพูดยาวทำไมถึงกล้าขนาดนั้นเพราะว่ามัน มีน้ำหนักและมีความชัดเจนกว่าลมหายใจถึงอะไรสิบสี่เท่าอ่ะนะลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นใช่ไหมแต่อันนี้หนึ่งสองมันถึงสิบสี่ยกอ่ะเพราะนั้นมันตึงไวกว่ากันลดมาครึ่งต่อครึ่งเลยแทนที่จะเป็นเจ็ดปีเหลือแค่สามปีกับอีกครึ่งหนึ่งก็ยังไหวนะอะ่เพราะว่ามันมีความถี่สูงกว่ากันแต่ต้องทําให้ถูกนะแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันไป against ต่อ นิสัยและความชอบของเราคือเราเนี่ยชอบความสงบความสุขที่จะเข้าไปเสพความสุขแต่พอมาทําอย่างนี้ความสงบมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีทำแล้วรู้สึกโอ้โหมันขัดอย่างแรงเลยมันเลยทําไปไม่รอดเนี่ยเว้นแต่เว้นแต่คนที่ชอบท้าทายชอบพิสูจน์มีโอกาสนะเพราะวิธีการนี้เราจะไม่หวังผลความสุขความสงบในเบื้องต้น แหวังผลความสุขความสงบในเบื้องปลายเบื้องต้นเนี่ยยอมลําบากไปก่อนไม่ต้องเอาความสุขความสงบผ่านไว้ก่อนเอาแต่ตัวรู้สิตัวให้ตัวรู้ตัวตื่นเอาไว้ก่อนเมื่อตัวรู้ตัวตื่นมันเข้มแข็งขึ้นตัวรู้ตัวตื่นตัวปัญญาตัวนี้มันจะไปสร้างความสงบเองมันจะไปสร้างความสุขเองแต่ถ้าหากว่าเราไปติีความสุขความสงบโดยที่ไม่มีปัญญาเมื่อความสุขสงบแล้วมันหายไปทุกอีกไปทํำมาอีก เทียวไลเทียวขือทำเอาอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติไม่เคยจบนะไม่สงบฟุ้งซ่านเะกไปนั่งสมาธอีกพอนั่งสมาิมาก็มาทานั้นด้สักพักหมดไปอีกทาอีกท่านค่วิธีนี้นอกจากจะยกมือ่ท่านสำนักเยงดิงก็มีจบเดินจงกรมด้วยสำนักอื่นก็มีเดินจงกรมพีด้วยเดินจงกรมสำนักอื่นกับ อ๋อไม่ใช่ไม่สำเร็จสําเร็จเหมือนกันแต่มันช้าหน่อยเท่านั้นเองเดินจงกรมเดินจงกรมโมเมนต์ทีนี้ไอเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือหายใจไม่ใช่สําคัญที่ว่าคอนเซปต์ความเข้าใจนะความเข้าใจว่าสํานักอื่นก็ทําเหมือนกันเดินจงกรมยกมือเหมือนกันนะอย่างวัดอะไรนะวัดสํานักของหลวงอะไรธรรมทัลวุอาจารย์แป้นนะยกมือเหมือนกันอาจารย์บุญส่งที่หนองคายก็ยกมือเหมือนกัน แต่ว่าคอนเซปต์มันก็คือว่าไฟเพ่งให้เป็นสมาธินี่มันต่างกันตรงคือยกแบบให้มันเกิดสมาธิตั้งใจเพ่งให้มันเกิดสมาธิอ่าแล้วก็ของอาจารย์แป้น์ธรรมโลแบบนี้นี่ยนะกีฬข้าเคยเคยเคยเห็นมนอ่ายกเหมือนกันฮะเออยกเหมือนกันไกลไอ้คุณปูเคยทำไหะ อเคยทำโยกมือนกันไกลนะโยกไปกันแต่ต้องทำอย่างนี้ด้วยนะเอาจริงๆไปดูที่สุพันนะเออนั่นแหละเดินจงกรมก็เหมือนเอามาเดินแบบหนองมาก่อนที่จังหวะยังหวนะเอามามาดูแล้วต่างกันเพราะเดินจงกรมแบบอื่นเขาเดินแบบสมาธิไม่ใช่เชิญแบบอัตติคือตั้งใจเก็บกดจดจ้องไปกับเอียาตรอย่าง ชัดชช้าช้านี่อันนั้นไม่ใช่นั่นเป็นสมาธิซึ่งเป็นการสะกดจิตไปในตัวแต่วิธีการที่เดิมแบบธรรมชาติรู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเดิมแบบธรรมชาติเบินไปบา ส, สบายซึ่งเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานั้นจิตต้องสบายจิตต้องเป็นอิสระแต่ถ้าจิตถูกกดทับจิตถูกบีบบังคับแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาแต่ได้สมาธิอยู่แต่ปัญญาไม่เกิดนี้สําหรับคนที่ทํนานั่งไม่ค่อยได้ ใช่เดินมากกว่าแต่เดินแบบธรรมชาติเดินแบบก <c oughs> ็บ <c oughs> ได้พออันไหนจะมีพลังมากในเง่ของความละเอยียดแยบคลายเนี่ย <c oughs> การนั่งเนี่ยมันจะให้เนื้อหาของความละเอยียดแยบคลายนะแต่การเดินเนี่ยอามาใช้สําหรับการผ่อนคลายซึ่งถ้าสมมุติว่าจะใช้การเดินเป็นหลักนี่ก็ได้แต่ว่ามั น, ม, นมันบอกหรอสังขารอนะ่ะเอามาเคยเดินตลอดทั้งคืนเดินขาแข็งหมดอะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ ทำให้เราแต่ถ้าสลับกันเดินบ้างนั่งบ้างได้นะแต่ว่าอย่าเดินมากถ้าเดินมากนั้นสําหรับคนที่รู้แล้วเข้าใจแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาเพราะรู้จักจุดเอาแต่คนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจยังไม่รู้จักจุดเอามันมันเบลอๆพลาดๆไปหมดแต่คนที่เข้าใจแล้วเขาจับจุดได้เดินก็นั่งก็ได้เดินก็ได้ตอนนี้คําถามเทคนิคอีกอันหนึ่งสําหรับการสร้างจังหวะเนี่ยเข้าใจเลยว่า ท่านให้สร้างจังหวะเพื่อสร้างปัจจุบันเราจะได้ตามปัจจุบันแต่ว่าก่อนที่เราจะทําเนี่ยเราควรจะตั้งใจสะก่อนหรือเปล่าว่าตั้งใจยกมือก็ยกตั้งใจพลิกแล้วก็พลิกแล้วก็เห็นปัจจุบันว่าพริกโอไม่ได้มากไปมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะท่านท่านเพราะท่านบอกว่าก่อนจะนั่งให้รู้สึกตัวว่ากาลังอยากจะนั่งอยู่แล้วก็นั่ง เดี๋ยวนะยมสังเกตยมรู้ไหมว่าเอามาแบ่งน้ำหนักไว้ทั้งนั้นกี่เปอร์เซ็นที่นี่กี่เปอร์เซ็นทำไมไม่ทราบน่นดีไ ง, นนไงปัจจัดตังเวที่สะโรเรื่องนี้รู้รู้ใครรู้มันคือคือเจ้าของตัวผู้ทาเท่านั้นจะรู้ว่าเรา ถ้าหากว่าทำไปแล้วรู้สึกหนักหรือเบาเนี่ยคนอื่นรู้เราไม่ได้เลยนะแต่เรารู้เราใช่ั้ยแต่โดยประเมินได้ว่าถ้ารู้สึกหนักและน่วงชัดเกินไปเนี่ยมันเกินความพอดีมันเป็นอุปท า, านชนิดหนึ่งคือเป็นโลภจดิตคืออยากจะได้แต่ทำให้รู้ฉเฉยๆโดยที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาเรียกวัชิมาปฏิบัติคือมันพอดีของมันคืออย่าอย่าลืมเน้นถึงความปกติปลอดโปร่งเบาสบาย ตัวนี้ไปเหตุกาให้เกิดปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่านักหน่วงทวงทับกดกลิ่เนี่ยตัวนี้ปัญญามันไปนบังปัญญาาไว้เพื่อใช้ทาแบบธรรมชาติแต่ว่าเราจะรู้ในของเราว่ามันชัดอยู่ในในของมันแต่ว่าไม่ถึงกับว่าแบบออย่างที่หนอเขาทํากันนะยกขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาอาชายอย่างนี้ก็กิน คือวิธีแรกที่หลวงพ่อไปฝึกหลวงพ่อเทียนไปฝึกกับหลวงพ่อมหาสีจันอย่างนี้เลยนะขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอาเข้ามามาแตะแล้วก็ดื่มก็ออกไปวางอันนี้ก็มากเกินไปเอามาเคยถามหลวงพ่อเทียนพราะเพราะมันเกิดจากความอยากคืออยากจะรู้อยากจะได้อะ่ะมันมีความอยากเป็นตัวนําอยู่มันไม่มั น, ม, นมันไม่ใช่รู้ตามแบบธรรมดาถ้ารู้แบบธรรมดาก็รู้ธรรมดานี่แหละ แต่ให้รู้ถึงความรู้สึกความท่านใช้คําว่าประชานาติคือชัดใช่ไหมรู้ชัดชัดเท่านั้นเองให้รู้ชัดชัดแต่ว่าไม่ใช่เป็นการโฟกัสหรือเป็นการไอทําให้มันหนักหน่วงลงไปซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้ารู้ชัดดังเมื่อวันก่อนนะรู้ชัดคือรู้ไงคือทําอะไรก็ได้แต่ให้รู้ชัดชัว่าทำอะไรแล้วพอมาใกล้เข้ามาอีกเมื่อรู้ชัดไปนะต้องมารู้พร้อมใช่ไหมสัมปชานากาลี พอรู้พร้อมเสร็จแล้วก็ให้มาศึกษาเนี่ยภาวะการขั้นรู้ต่างลำดำับให้มาศึกษาภาวะละเอียดขึ้นไปท่านให้ศึกษาถ้าหาก็่ห ย, บยาบๆเหมือนท่านบอกให้รู้ชัดถ้ากลางๆเหมือนท่านบอกให้รู้พร้อมใช่ไหมนั้นกิยาการรู้เนี่ยท่านแบ่งต่างกันอยู่แต่ทั้งรู้ชัดรู้พร้อมแล้วก็ลักษณะรู้แบบศึกษาก็พัฒนาจากหยาบกลางละเอียดขึ้นไปซึ่งตรงนี้ามาว่าต้องทําบ่อยๆเราค่อยสังเกตไป ว่าทําแล้วมันเกิดความเบาไหมความสบายไหมหรือเกิดความอึดอัดขัดเคืองไหมให้สังเกตไปสังเกตไปแล้วมันจะเกิดทักษะขึ้นมาลักษณะนี้เราใช้คําว่าทักษะคือเกิดให้เกิดความชินนีจชํานาญขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปอยากว่ากันเถอะทาบ่อยๆ อ, อย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามาจะท่องหนังสือท่องอยู่เงี้ย น, นะปรากฏว่าท่องได้ไม่นานมันก็ลืมอีกไอตอนที่ใหม่ๆก็จำํำดีนะพอทิ้งเลยมันก็ลืมอีก แต่หลังจากนั้นพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์สวดไปทุกวันทุกวันไม่ได้ตั้งใจจำนะประกฏมัาจำได้หมดอันนี้คือความพร้อมของจิตเขาเขารับเท่าที่เขารับได้แต่ทําสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วมันก็รับตามตามกำลังของเขาดังนั้นจุดนี้มาว่า<อ>ถามว่าแตกต่างกันไหมการเคลื่อนไหวแบบนี้กัสบสมรรถอื่นแตกต่างกันในแง่ของไอคอนเซ็ปต์คือในแง่ของอาการที่รู้นะแต่รูปแบบอาจจะไม่ต่างกันนะ ทีนี้ถ้าถามว่าลมหายใจทำไมถึงช้าก็อยากให้กล่าวว่าหนึ่งอินซีของเราอ่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจะทนต่ออาการได้งานเกินไปและจะมีนิวเรางครอบงำสองกาลังของลมหายใจที่มาที่เข้าไปรับรู้เนี่ยมันไม่คงที่ทำเป็นานานมันเบาใช่ไหมทำเป็นนานบางทีมันไม่มีเลยไมาเคยทําแต่ยกมือเนี่ยยกร้อยครั้งบนหงพันพันหงถ้าเรารู้อยู่มันก็ในความรู้สึ ก, กระดับหนึ่ง ขอให้มีมีกำลังยกเท่านั้นแหละแต่ขณะรู้เข้าไปให้ชัดเหมือนเดิมนะดังนั้นเองในจุดนี้มาถึงบอกว่าเป็นไปได้ว่าความเข้มแข็งหลวงพ่อเทียนท่านเปรียกว่าอย่างนี้ว่าลมหายใจเนี่ยมันบางเหมือนมิโกนคมเหมือนมิโกนแต่ว่ามันไม่มีน้ําหนักแต่การยกมือเนี่ยท่านบอกเหมือนขวานที่คมคมท่านบอกว่ า, ว า, า, วาคุณลองเอามีโกนไปตัดต้นไมใ้ใหญ่ดิมันจะได้ไหม มันคมจริงนะแต่ทําไมตัดไม่ได้ไม่ขาดเพราะอะไรมันขาดอะไรมันขาดน้ําหนักอ่าแต่ว่าขวานเนี่ยถึงแม้คมบ้างไม่คมบ้างไปตัดมันขาดนะเพราะน้ําหนักมันมากบอกไอ้การเคลื่อนไหวกันแบบจุกมือมันมีน้ําหนักแต่ถ้าหากว่ามันจะชัดไปชัดอยู่ที่เรารู้อยู่ที่เรากําหนดเป็นไม่เป็นถ้าเรากําหนดเป็นมันจะคมชัดถ้ากําหนดไม่เป็นมันก็เหมือนกับขวานที่ไม่ค่อยคมก็ยังมีเพราะมันมีน้ําหนักอยู่ ยังให้รู้สึกตัวได้นะดังนั้นเรื่องนี้ก่อนที่จะมาจะรับเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวหูไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะเพราะเคยผ่านอาจา ร, รย์กรรมฐานมาเยอะอ่านตำรา ม, มาเยอะมันก็มีอัตราเยอะนะใช่ไหมแต่พอมาสัมผัสเนื่องจากว่าเป็นคนชอบพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์มาอ๋อมันเริ่มเห็นเน่ยเห็นความแตกต่างเริ่มเห็นผลที่ตัวเองได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเออเรานั่งไม่นานเราก็ง่วงละเดินไม่นานก็ฟุ้ง เลแล้วแต่พอมานั่งทำให้เป็นจังหวะชัดๆแล้วเวลามันมีอุปรสรรคนี่วอนอะไรแล้วก็มารู้จักจปรับรู้จักจเปลี่ยนรู้จักจแก้ไม่ใช่แช่อยู่ที่นั่นปรับเปลี่ยนแก้เพราะว่าเราเรักษาคอนเซปต์เดิมไว้ได้อยู่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่จะในอิียบทไหนท่าไหนนั่นะมันเป็นเรื่องของร่างกายเราต้องปรับเพราะร่างกายเขาตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็คอนโทร ไม่ได้ใช่ไหมบอกข้าบัญชาไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนไปตามอาการของเขาแต่ว่ารักษาสาระเดิมไว้ได้คือตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนั้นนะเพราะนั้นมันเลยทําได้ทั้งวันทั้งอาทิตย์โดยที่ไม่หนักไม่เหนือไม่บอบร่างกายเพราะอะไรเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ร่างกายมีกํำลังรีเฟรชมันเรื่อยๆอันนี้คือความได้เปรียบของวิธีการอันนี้นะ นั้นเก็บอารมครั้งละเจ็ดวันสิบห้าวันก็ไม่บอกแต่วิธีการอื่นในแค่สามวันห้าวันนี่ก็เราโหไปไม่หลอดแล้วนะมันบอกมันเหนื่อยต้องกดต้องทับต้องทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแต่วิธีการนี้จะไม่ทําอย่างนั้นวิธีการนี้เอาความหมายหลักเอาไว้คือให้รู้สึกตัวรู้ทั่วทั่วพรอ้พรอมคุณจะอยู่ยังไงนั่งยังไงเปลี่ยนยังไงก็ได้ความรู้สึกตัวทั่วพรอ้พรอมต้องชัดและต่อเนื่องไปเสมอ น, นั่นคือที่จะทําให้เกิดผลของการปฏิบัติ เข้าใจไหมเข้าใจแล้เนาะชัดขนาดนี้ไม่เข้าใจก็ช่วยอลไรไม่ได้แล้วนะะ <c oughs> <c oughs> จะเจ็เอาไปทำนั่นแหละมีทางอื่นไม่มีทางไม่มีทางอื่นเลยนะแต่ทําให้มันสนุกอะ่ะจะทําไงทํำนั้นทำได้แน่แต่ทําให้มันสนุกอะ่ะต้องคิดหนักละแต่ทําให้เบื่อนี่ไม่ยากทั้งๆก็เบืบบ่อแล้วนะ <c oughs> ทําให้เบือ่อทําให้ง่วงทาให้ขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องละแต่ทําให้มันสนุกเนี่ย ต้องค้นหาความหมายให้ได้จะทำไงให้มันสนุกไหวไหมคุณหมอวเชีนวันนี้สนุกบ้างไวันนี้ผมอาพาอพยากเหอ่านเียเหมือนเหมือนเอาเรือรวกเข้าน้มันก็ยากจะวิ่งชิวๆดยากเนเรือมันลวต้องคอยอุดเรืออยู่เอย เพราะฉะนั้นในวันนี้เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุฟนะังกันมาสมควร mm hmm. ก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าเป็นภาษาบาบลีตาราเราฟังไม่รู้เรื่องแต่นี่ถอดเป็นภาษาภาษาปฏิบัติล้วนเนะขจาจชัดก็ขออนุโมทนาในที่ตั้งใจศึกษาและที่อยากจะเน้นคือทำให้มีทั้นใช้ควาว่าธรรมระฝังศาสนาคือให้มีความบันเทิงล่าเรืง ในการทําอย่าทําด้วยความหวังด้วยความสุกเศร้า ง, งอง้อยทําทด้วยความเบื่อหน่ายเพะอย่างนั้นมันจะเสียเวลาแต่าทาด้วยความอดหานความกล้าหานความเล่าลืออย่างนี้จะไหวนะขอให้มีจิตใจอย่างนั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ